มหาวัคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งเวรัญชสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญชพรามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณควงต้นสเสดาอันเป็นที่อยู่ของณเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาครั้งนั้น เวรัญชพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเขาเ้าไปแจาได้ทราบมาว่าพระสมณโคโดมไม่ไว่ายไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่ง เรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวเพราะท่านพระโคโดมไม่ไวหว้ไม่ลุกรับพรามผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่ท่านพระโคโดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ เรายังไม่เห็นผู้ที่เราควรจะไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้นั่งเพราะตะถาคตไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญผู้ใดให้นั่งศีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดตกไปหนึ่งพรามกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนไม่มีรถพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนไม่มีรถนั้นมีมูลอยู่ เพราะตะถาคตและรถคือรูปเสียงกลิ่นรสและผพทพะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่มีรถนี้แหลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 2. พรามกลาบทูลต่อไปว่า ท่านพระโคโดมเป็นคนไม่มีสมบัติพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนไม่มีสมบัตินั้นมีมูลอยู่เพราะตะถาคตละสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่มีสมบัตินี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 3. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมสอนไม่ให้ทำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมสอนไม่ให้ทำนั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงการไม่ทำบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมสอนไม่ให้ทำนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงสพรามกลาบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมสอนให้ทำลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณโคโดมสอนให้ทำลายนั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนให้ทำลายราคะโทสะและโมหะตลอดถึงให้ทำลายบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมสอนให้ทำลายนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 5. พรามกลาบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างรังเกียด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนช่างรังเกียจนั้นมีมูลอยู่เพราะเราช่างรังเกียดกายยัตุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงรังเกียดบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนช่างรังเกียนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างกำจัดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนช่างกำจัดนั้นมีมูลอยู่เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกาจัดราคะโทสะและโมหะตลอดถึงแสดงธรรมเพื่อกำจัดบาปอภสุทธธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณะโคโดมเป็นคนช่างกำจัดนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงเจ็ดพราหมกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนช่างเผาพลานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนช่างเผาพลานนั้นมีมูลอยู่เพราะเรากล่าวถึงบาปอคุณสธรรมทั้งหลาย คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเรียกคนที่ละบาปอากุ u s ธรรมทั้งหลายที่ควรเผาผลาญได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนช่างเผาผลาญททานคดละบาปอากุ u s ธรรมที่ควรเผาผลาญได้หมดสิน้น ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนช่างเผาพลานนี้แลมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง8พรามกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหม์ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนั้นมีมูลอยู่เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้มีมีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด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 ที่แม่ไก่โกกดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วบรรดาลูกไก่เหล่านั้นลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก่อนควรเรียกมันว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องพรามกราบทูลว่าท่านพระโคดมควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละ ในขณะที่หมูสัตว์ถูกกระเปาะไข่คืออวิชาห่อหุ้มอยู่เราได้ทำลายกระเบาะไข่คืออวิชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลกพรามเราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ รามเรานั้นสังนดจากกรรมและอกคุิธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปิติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสันเรินว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราบรรลุเจตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันว้อย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง ส0ชาติบ้าง4ี่สบชาติบ้าง50สบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรรมเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกรรมและวิวัตกรรมเป็นอันมากบ้างว่าในภพนน้นเรามีชื่ อ, อย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเศยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติจาภพนั้นก็ไปเกิดในภพนน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจาภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้เราละลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พรามเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้แลในยามที่หนึ่งแห่งราตรี ความมืดมิดคืออวิชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี้คือการเจาะกระปาะไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะกระปาะไข่ออกมาของลูกไก่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุด่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน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 กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติและกําลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประกาศนิชนี้พรา์เราได้บรรลุวิชาที่สองนี่แหลในยามที่สองแห่งราตรีความมืดมิคืออวิชาเรากาจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะกระเปาะไข่ออกมาของลูกไก่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่น ไม่วันวายอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคาม่นีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภาวาสวะอวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วยูโจบโพรมาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้แลในยามที่สามแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชาเรากําจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เรา เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพราหมณ์นี้คือการเจาะกระเปาะไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่สามของเราเหมือนการเจาะกระเปาะไข่ออกมาของลูกไก่เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวรัญชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคดมเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเวรรญชสูที่หนึ่งจบ สีหสูตรว่าด้วยสีหเสนาบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตะคารสาลาป่ามหาวันเคโครงเวสาลีสมัยนั้นแลเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากนั่งประชุมกันในสันทาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆสมัยนั้น สีหเสนาบดีสาวกคงนิครนนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยลำดับนั้นสีห์เสนาบดีได้มีความคิดดังพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นต้องเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแน่เพราะเจ้าลิฉวีผู้มีชื่อเสียงจํานวนมากเหล่านี้นั่งประชุมกันในสันทาคารต่างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญพระธรรมกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์โดยประการต่างๆทางที่ดี เราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อมาสีหะเสนาบดีเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรดังนี้ว่าเข้าพระเจ้าปรารถนาจะไปเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าค่ะนิครนนาตบุตรกล่าวว่าสีหะท่านเป็นผู้สอนให้ทำฉะฉไหนจึงจะไปเฝ้าพระสมณโคดมผู้สอนไม่ให้ทำเล่า เพราะพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทมย่อมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้รมทั้งแนะนำสาวกตามแนวนั้นครั้งนั้นแหลสีหะเสนาบดีได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สองเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากก็ได้นั่งประชุมกันในสันทาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญพระธรรม กล่าวสันเสริมพระสงฆ์โดยประการต่างๆแม้ครั้งที่สองศีหเสนาบดีก็มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่เพราะเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงจํานวนมากเหล่านี้นั่งประชุมกันในสันทาคารต่างก็กล่าวสันเสริมพระพุทธเจ้ากล่าวสันเสริมพระธรรมกล่าวสันเสริมพระสงฆ์โดยประการต่างๆทางที่ดี เราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อมาสีหะเสนาบดีได้เข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าเขาพระเจ้าปราถนาจะไปเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าค่านิครนนาตบุตรกล่าวว่าสีหะท่านเป็นผู้สอนให้ทำฉะนั้นจึงจะไปเฝ้าพระสมณโคดมผู้สอนไม่ให้ทำเล่า เพราะพระสมณะโคโดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำย่อมแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพูกสาวกตามแนวนั้นแม้ครั้งที่สองสีหเสนาบดีก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สามเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากก็ได้นั่งประชุมกันในสันทาคารกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญพระธรรม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 เราจะบอกหรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทางที่ดีเราจะไม่บอกพวกนิครนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นสีหะสสนาบดีเดินทางออกจากกรุงเวสาลีแต่หัววันพร้อมด้วยรถห0 0รคันเดินทางไปด้วยยานพาณนะตลอดพื้นที่ที่ยานพานะจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไ ม, ม่ให้ทำแสดงธรรมเพื่อการไ ม, ม่ให้ธทำทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นพระพุทธเจ้าข่าคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไ ม, ม่ให้ธทำ แสดงธรรมเพื่อการไม่ให้รมทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นพระพุทธเจ้าข่าคนเหล่านั้นจะชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คํากล่าวเช่นนั้นและคําที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้ เพราะข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวโตวพระผู้มีพระภาคเลย<ม>ข้อกล่าวหา8ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะหนึ่งข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 2. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนให้ทำแสดงธรรมเพื่อการให้ทำทั้งแนะนำสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 3. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อความให้ทำลายทั <S <S ้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สี่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่งรังเกียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกียจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ห้าข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่งกาจัด แสดงธรรมเพื่อการกำจัดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 6. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาพลานแสดงธรรมเพื่อความเผาพลานทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 7. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อความไม่ผุดไม่เกิด ทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ 8. ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนเบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนําพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่พระดารักแก้ข้อกล่าวหาข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นผู้สอนไม่ให้ธทำ แสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ธทำทั้งแนะนําผู้สาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราสอนไม่ให้ทํากายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทําบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทําแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทําทั้งแนะนําผู้สาวกตามแนวนั้น นี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นผู้สอนให้ทมแสดงทาเพื่อการให้ทมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราสอนให้ทากายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตตลอดถึงการให้ทำกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมเป็นผู้สอนให้ทำแสดงธรรมเพื่อการให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แลมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อวความให้ทำลายทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราสอนให้ทำลายราคะโทสะและโมหะ ตลอดถึงให้ทำลายบาปอกุสมรธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อการให้ทำลายทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนแช่งรังเกียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกียจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ เป็นอย่างไรคือเพราะเราช่างรังเกยียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดทั้งรังเกยียจการประกอบบาปอกศุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างรังเกยียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกยียจทั้งแนะนําพวกสา ว, วกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่า พระสมณโคโดมเป็นคนช่างกำจัดแสดงธรรมเพื่อความกำจัดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่เป็นอย่างไรคือเพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะตลอดถึงแสดงธรรมเพื่อกำจัดาบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนช่างกำจัดแสดงธรรมเพื่อการกำจัด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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาพลานแสดงธรรมเพื่อการเผาพลานทั้งแนะนาพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดสแสดงธรรมเพื่อความไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนาพวกสาวกตามแนวนั้นนั้ น, น, นมีมูลอยู่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 ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อการไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนำพวกสา ว, วกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่ข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนเบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสา ว, วกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ เป็นอย่างไรคือเพราะเราเป็นคนเบาใจด้วยความเบาใจอย่างยิ่งแสดงธรรมเพื่อความเบาใจและแนะนําเหล่าสาวกตามแนวนั้นข้อที่บุคคลกล่าวหาเราว่าพระสมณโคโดมเป็นคนเบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนี้แหละมีมูลอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้ว สีหะเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิขาขาตอของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะท่านใคร่ครวนก่อนแล้วจึงตัดสินใจเถิดคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านต้องใคร่ครวนให้รอบครอบก่อนจึงเป็นการดีสีหะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปราบลื้มชื่นใจอย่างยิ่งเพราะพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าสีหะท่านใคร่ครวนก่อนแล้วจึงตัดสินใจเถิด คนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านต้องใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนจึงเป็นการดีเพราะพวกอัญญะดเดรธีได้ฆ่าพระองค์เป็นสาวกแล้วก็เป่าประกาศไปทั่วกรุงเวสาลีว่าสีหาเสนาบดีเป็นสาวกของพวกเราแต่พระองค์กลับตรัสว่าท่านใคร่ครวญก่อนแล้วจึงตัดสินใจเถิดคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านต้องใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนจึงเป็นการดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่สองข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเิด ทรงสนับสนุนให้อุปถรัรมภ์ลัทธิที่เคยนับถือมาก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะตระกูลของท่านเคยเป็นที่ต้อนรับพวกนิครนมานานดังนั้นท่านพึงใส่ใจว่าควรให้บิทฑบาทแก่พวกนิครนผู้เข้าไปตระกูลต่อไปเถิดสีหะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปราบปลื้มชื่นใจอย่างยิ่ง เพราะพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าสีหะตระกูลของท่านเคยเป็นที่ต้อนรับพวกนิครนมานานดังนั้นท่านพึงใส่ใจว่าควรให้บินตาบาทแก่พวกนิครนผู้เข้าไปตระกูลต่อไปเถิดข้าพระองค์ได้ฟังมาดังนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแก่าศาสดาอื่นควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้น ไม่ควรให้ทานแกสาวกของาศาสดาอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แกศาสดาอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แกสาวกของเราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แกสาวกของาศาสดาอื่นไม่มีผลมากแต่พระผู้มีพระภาคกลับทรงชักชวนให้ข้าพระองค์ให้ทานแกพวกนิครณข้าพระองค์จะรู้เวลาในเรื่องนี้เองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่สข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระณะขอพระผู้มีพระภาคโประทรงจมข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพิกถาแก่สีหเสนบดีคือทรงประกาศหนทานกถาเรื่องทาน สศีลกถาเรื่องศีลสาสักคะกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวัคคถาเรื่องโทษความต่ําสามความเศร้ามองแห่งกาม 5. เนคัมานิสังสักะถาเรื่องอนิสงแห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าศีหะเสนนาบดีมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักธรรมจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่สีหเสนาบดีนั้นบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นแหลสซีหะเสนาบดีได้เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลืบแคลงถึงความกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัใจจัยในศาสนาของพระศาสดาจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพศีหะเสนาบดีนั้นทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นศีหะเสนาบดีใช่มหาดเล็กผู้หนึ่งว่า เธอไปหาซื้อเนื้อสดที่มีขายมาเมื่อคืนนั้นผ่านไปได้สั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันแอนปราณีตไว้ในนิเวศ ข, ของตนแล้วจึงให้ไปกราบทูลพัตการว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพะพัตาหานเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวอนเสด็จเข้าไปยังนิเวศ ข, ของสีหเสนาบดีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับนั่งบนพุทธ า, าธิปูราดไว้สมัยนั้นพวกนิโครนจำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนสีแยกสามแยกทั่วกรุงเวสาลีว่าวันนี้ศีหะเสนาบดีข่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารเลี้ยงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเองครั้งนั้นแหล มหาดเล็กผู้หนึ่งเข้าไปหาสีหเสนาบดีแล้วกระซิบบอกว่าท่านครับได้โปรดทราบพวกนิโครนจำนวนมากพากันกอดแขนคร่ำครวญไปตามถนนสีแยกสามแยกทั่วกรุงเวสาลีว่าวันนี้สีหเสนาบดีฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงตนเอง สีหเสนาบดีตอบว่าช่างเถิดท่านเหล่านั้นประสงค์จะตําหนิพระพุทธเจ้าประสงค์จะตําหนิพระธรรมประสงค์จะตําหนิพระสง์มานานแล้วและท่านเหล่านั้นก็กล่าวตัวพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงส่วนพวกเราไม่เจาะจงฆ่าสัตว์แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตจากนั้นสีหเสนาบดี ได้นำของขบชันแอมปราณีประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ทรงอิ่มน้ำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตจากบาทสีหเสนบดีจึงเลือกที่นั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สีหเสนบดีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาฐานแกล้า หลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปซีหะสูที่สองจบสามอัสาชานิยสูตรว่าด้วย ม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์แปดประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์แปดประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในพันธีของพระราชาในโลกนี้หนึ่งเป็นสัตว์มีกำเนิดดีทั้งฝ่ายแม่ม้าและพ่อมา้า เกิดในที่ที่มาอาชาในพันธ์ดีอื่นๆเกิด 2. กินหญ้าสดหรือหญ้าแห้งที่เขาให้อย่างเรียบร้อยไม่เรี่ยราด 3. รังเกียจที่จะหมอบทับหรือนอนทับอุจระหรือปัสสาวะ 4. เป็นสัตว์สงบส ง, งียมอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบ ก, กวนมาอื่นๆ 5. เป็นสัตว์เปิดเผยความโอ้อวด ความพยศคดโกงแก่นายสารถีตามความเป็นจริง 6. นายสารถีพยายามปราบความโอ้อวดความพยศคดโกงเหล่านั้นของมันได้ 7. เป็นสัตว์ลาภภาระไปได้คือมีความคิดว่ามาอื่นๆจะลาภาระไปได้หรือไม่ก็ตามเราจะลาภภาระนี้ไปได้และเมื่อเดินไปก็เดินไปตามทางตรงเท่านั้น 8. เป็นสัตว์มีกําลัง คือทรงกำลังไว้ได้จนถึงวรรคสุดท้ายแห่งชีวิตภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วย อ, องค์แปประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการข้อชั้นนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. ฉันโพชนะที่เขาถวายจะเศร้ามองหรือปราณี ก, ก็ตามโดยเคารพไม่รังเกียจ 3. รังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตตลอดถึงรังเกียจการประกอบบาปอากุศลธรรมต่างๆ 4. เป็นผู้สงบส ง, งียมอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบกวนภิกษุอื่นๆ 5. เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความพยศคตโกงแก่พระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนตามความเป็นจริง 6. พระศาสดาหรือเพื่อนโภมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพยายามช่วยเลมกำจัดความโอ้อวดความพยศคลตโกงเหล่านั้นของเธอได้ 7. เป็นผู้ศึกษาคือใฝ่ใจอยู่ว่าภิกษุอื่นๆจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเฉพาะข้อนี้เราจะศึกษาได้เมื่อดำเนินไปก็ดำเนินไปตามทางตรงเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิ เป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่ว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสุริระจงเหือดแห้งไปเถิดเรายัางไม่บรรลุผลที่จะพึงบรรลุด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาสาชาเนียสูตรที่สามจบ